ลำดับที่หกเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2552โดยพระคันจิตคุณวอวโรขอเจอริญพรนะสำหรับวันอาทิตย์นี้เราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของวินัยของชาวพุทธวินัยของชาวพุทธในที่นี้คราวที่แล้วได้คุยกันในเรื่องของหลักในการเตรียมทุนของชีวิตสองด้านคือทุนทางด้านวัตถุหนึ่งอย่างกับทุนในแง่ของบุคคลอีกหนึ่งอย่างวันนี้นอกจากเตรียมทุนของชีวิตแล้วต่อจากนี้ก็คือเป็นขั้นของการดำเนินชีวิต ข, าขการดำเนินชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสหลักเอาไว้ว่าในการดำเนินชีวิตนั้นเราต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในสังคมเราเองก็ต้องรู้จักหน้าที่แล้วก็ปฏิสัมพันธ์ให้ถูกต้องกับบุคคลต่างๆในสังคมซึ่งท่านจะแบ่งบุคคลต่างๆในสังคมนี้ออกเป็นหกประเภทด้วยกันโดยแบ่งตามหลักที่เราเรียกว่าทิศหกทิศหกก็คือทิศ ท, ทั้งหกที่เราจะต้อง อยู่ร่วมด้วยนะก็หมายถึงบุคคลทั้งหกประเภทนั่นเองในที่นี้อยากให้โยมลองอ่านลองอ่านก่อนนะเอาหนังสือมากันใช่ไหมเอ่ยต้องขออภัยด้วยนะถ้าโยมที่มาใหม่เนะื่องจากว่าหนังสือออกมาสองรอยเล่มหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วสองรอยเล่มก็อ่าโยมที่เอาหนังสือมาเดี๋ยวช่วยอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะอยากจะให้โยมอ่านออกเสียงมากกว่าน ะ, จะเจริญพร อ, อ่าทิศที่หนึ่งก่อนเลยละกันนะทิศที่หนึ่งในฐานะที่เป็นบท ธ, ธิดา จเจริญพรอ้าจเจริญพรที่ที่หนึ่งนั้นท่านกล่าวว่าเป็นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าก็คือบุคคลหรือผู้ที่มาก่อนเรานะคอยดูแลเรานั่นเองในที่นี้ทีท่เบื้องหน้าก็คือบิดามารดานเพราะฉะนั้นะถ้าหลักในแง่ของทางพุทธศาสนานี่ยจะเห็นว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาให้ถูกต้องหน้าที่ในที่นี้ถ้าจะแบ่งออกเป็นกลุ่มอย่างง่ายๆหนึ่งเลี้ยงดูท่านด้วย ในแง่ของภายนอกก็คือเรื่องของวัตถุสิ่งของแล้วก็แรงกายนะสองดูแลท่านในด้านของจิตใจนะดูแลท่านในด้านของจิตใจนะถ้าโยมอย่างที่อ่านมาเมื่อกี้อย่างข้อที่หนึ่งท่านเลี้ยงดูเรามาลเลี้ยงท่านตอบนะช่วยทํากิจหน้าที่อันนี้เป็นในแง่ของวัตถุหรือในแง่ของภายนอกเพราะในฐานะที่บิดามารดานั้นเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะเหนื่อยยากเพื่อเรามาเมื่อถึงเวลาที่เราสามารถตึ่นตัวเองได้ ในที่นี้ก็เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจที่เรามีต่อท่านนั่นเองเมื่อท่านแก่ตัวลงแล้วก็นึกถึงตอนสมัยเราเป็นเด็กก็เล่ากันนะเราเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยตเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ท่านยังต้องคอยอุ้มนะแล้วก็แม้กระทั่งยามขับถ่ายนะท่านก็ต้องเป็นคนคอยเช็ดคอยล้างให้กับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราเพึ่งตัวเองได้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะต้องช่วยดูแลท่านในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างโยมบางท่านอาจจะพ่อแม่เองก็มีฐานะอยู่แล้ว อาจจะคิดว่าท่านไม่ไม่จเราไม่จําเป็นต้องให้เงินท่านหรอกนะจริงๆโยมควรจะให้ไม่ว่ามากหรือน้อยนะที่ให้นั้นจริงๆแล้วปิดามารดาไม่ได้ต้องการเงินทองของโยมหรอกแต่จริงการที่ให้ของโยมนั้นเป็นเรื่องของน้ําใจของโยมที่มีต่อท่านนะเป็นเรื่องของน้ําใจของโยมที่มีต่อท่านะจริงๆเงินนั้นท่านอาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ําำแต่เป็นเรื่องของน้ําใจของเราที่มีต่อท่านช่วยให้กําลังใจท่านนั่นเอง ไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยอย่างน้อยทุกเดือนโยมควรจะต้องให้นะควรจะต้องให้ให้กับปิดามมรดานะท่านเลี้ยงดูเรามาเราเลี้ยงดูท่านตอบนะอย่างที่สองช่วยทํากิจธุระนะท่านเหนื่อยมาเยอะมากเพื่อเราแล้วมีกิจธุร ะ, ะอะไรจําเป็นที่เราพอจะช่วยเหลือได้แล้วก็ควรที่จะช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตามใช่ไหมเด็กก็ช่วยเหลือได้ใช่ไหมอย่างน้อยที่สุด อา้าวทำความสะอาดบ้านนะทำความสะอาดบ้านนะหรือว่าไม่ทำให้บ้านรกก็ถือว่าช่วยในในขั้นหนึ่งหรือในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่นะส่วนข้อที่สามข้อที่สี่นั้นจะเป็นเรื่องของในด้านของจิตใจละนะ ในเรื่องของดำรงวงสกุลนะไม่ให้เสื่อมเสียแล้วก็ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นไทยนะขอเจริญพรและส่วนใหญ่พ่อแม่นั้นสำหรับวันอาทิตย์นี้เราก็ได้ไปพิการณาอะไรติดตัวต้องการให้ลูกเป็นคนดีเราวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของเสียชื่เสียงของวงสกุลนอกจากนั้นดูแลตัวเองได้หาทรัพย์มาได้ก็รู้จักใช้รู้จักเก็บให้เกิดประโยชน์ทําให้ท่านท่านเกิดความมั่นใจว่าต่อไปในอนาคตเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็เป็นหลัก ให้กับครอบครัวได้แค่นี้ก็เรียกว่าดูแลท่านทางด้านจิตใจแล้นะทําให้ท่านเกิดความรู้สึกดีงามในจิตใจเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณงามความดีที่เราได้ทําะหรือแม้แต่กระทั่งในความกระตันยูกระตะเวทีของเราที่มีต่อท่านแม้กระทั่งท่านร้องรับไปแล้วก็ให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนในที่นี้จริงการทำบุนครั้งที่แล้วได้คุยกันในเรื่องของนั้นหลักไม่ใช่ทําเพื่อที่ว่าท่านจะต้องได้รับเสมอ แต่การทำนั้นคนที่ได้มากที่สุดก็คือตัวผู้ทำเองเวลาเรานึกถึงพระคุณของบุคคลที่มีพระคุณกับเรามาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ให้หรือเราได้ตอบแทนจิตใจของเรานะจะเบิก บ, บานของใสขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วท่านจึงบอกว่าให้ทาบุญอุทิศส่ทน์ุณศนให้ด้วยพานั้นเรื่องของของบิดามารดานั้นอาตมาเคยได้กล่าวถึงแล้วนะตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการ อ่าภายเม่ตาแล้วก็เมื่อวันแม่วันที่สิบสองสิงหาที่ผ่านมาก็คงจะไม่ขอกล่าวในในประเด็นเหล่านั้นซ้ําละนะอย่างที่สองหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรนะอันนี้ถ้าเป็นชาวพุทธแท้จําไว้เลยอันนี้ต้องท่องไว้เลยนะเรามีหน้าที่อะไรบ้างในฐานะบุตรและในฐานะบิดามารดาอย่างแรกเลยห้ามปรามนะจากสิ่งที่ชั่วนะห้ามปรามป้องกันนะเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่ต้องคอยจ้าชี้จา้าชัยเอาใจใส่ดูแล เห็นสิ่งใดไม่ดนะีต้องคอยบอกคอยสอนหรือไม่ก็ต้องคอยกระนาบถ้าอย่างดื้อมากกว่านั้นก็อาจจะต้องมีการลงโทษมีการตีบ้างนะนะเพื่อห้ามปราบเขาจากสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นต้องบอกว่าถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะเป็นหน้าที่และเป็นสิ่งที่โยมควรจะต้องทำด้วยนะอย่างที่สองแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ให้ลูกนั้นมีคุณธรรมให้รู้จักในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของคุณงามความดีนี่ก็เป็นหน้าที่ของบิดา ม, มารดาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในขณะลูกยังเล็กนะประมาณศูนย์ถึงสิบสองถึงสิบสามปีช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สําคัญโดยเฉพาะใครเป็นพ่อแม่ช่วงนี้ต้องให้เวลากับลูกให้มากที่สุดนะทั้งในแง่ของการฝึกเขาให้มีระเบียบวนินะัยฝึกเขา ไม่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขารู้สึกละอายในการทำสิ่งที่ไม่ดีฝึกเขาให้มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็อยากทำสิ่งที่ดีงามมีความสุขในการทำสิ่งที่ดีงามาหลักทางจิตวิทยานี่ช่วงระหว่างศูนย์ถึงประมาณสิบสองสิบสามจะเป็นช่วงที่เด็กกำลังหาไอเดีนิตี้หาไอเดีนิตี้ก็คือหาแบบหรือหาต้นแบบะเราจะให้เขาได้คเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะโตขึ้นไปกว่านี้แล้วนูน่นติดเพื่อนนะ ติดเพื่อนติดเที่ยวติดเล่นติดทีวีหรือติดอย่างอื่นมากกว่านะพอสักสิบาปีเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นเพื่อนสําคัญมากกว่าพ่อแม่อันเป็นลักษณะของเขาเลยนะเขาต้องการการยอมรับแต่ถ้าศูนย์ถึงสิบสองปีนิยมฝึกเขา ไ, ได้ดีช่วงหัวเรี่ยงหัวต่อช่วงเข้าสู่วัยรุ่นคือสิบสาปีขึ้นไปเนี่ยเด็กจะมีปัญหาน้อยมากแล้วจะมีอะไรเด็กเขาจะคิดถึงความอบอุ่นหรือความรักที่พ่อแม่มีต่อเขารวมไปถึงการปลูกฝังของเขาในช่วงแรก เพราะฉะนั้นหลักในทางพุทธศาสนาท่งนท่านให้ความสําคัญตรงจุดนี้มากวันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยนะอย่าคิดว่าตอนเด็กๆไม่สําคัญนะเด็กๆเนี่ยสาคัญมากกว่าตอนโตอีกนะสิบสามปีไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะขึ้นอยู่กับเราน้อยลงละไปติดกับเพื่อนเสียมากกว่าแต่ศูนย์ถึงสิบสองปีเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าหัวเรื่องหัวต้องบอกเรียกว่าเป็นช่วงที่สําคัญเลยจะให้ลูกเป็นอย่างไรเนะี่ยขึ้นอยู่กับการโปรแกรมเด็กในตอนนี้นะ่ะละโปรแกรมมันก็คือการฝึกอบรม การสั่งสอนการให้เขาคุ้นเคยให้เขาทำบ่อยๆให้กลายเป็นรูปแบบความเคยชินและการปรุงแต่งจิตของเขาอย่างที่สามให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้ศึกษาศิลปะวิทยาจะเห็นว่าหนึ่งสองสามนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องฝึกให้เด็กฝึกให้เด็กสิ่งที่ควรจะต้องระวังก็คือว่าอย่าทำแทนเด็ก หนึ่งสองสามจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการฝึกอับผมโดยเฉพาะเรื่องให้การศึกษาศิลปะวิทย า, าในที่นี้ก็หมายถึงต้องให้เด็กฝึกนะต้องให้เด็กฝึกเพราะว่าสมัยใหม่นั้นบางทีพ่อแม่รักเด็กมากเกินรักลูกมากเกินไม่อยากให้ลูกลําบากมีอะไรจะทําแทนลูกหมดคอยโอนะคอยโอหรือว่าไม่ให้เข้าทํางานหนักเพราะกลัวเขาจะลําบากการทําอย่างนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะ แทนที่จะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กอาจจะกลายเป็นการทําร้ายเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ฝึกเขาเอาตื่นนอนขึ้นมามีหน้าที่แบ่งหน้าที่กันในบ้านปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยถ้าเราฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกลําบากที่จะต้องทำํำและเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่ถ้าปล่อยตามใจของเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเด็กจะอ่อนแอเด็กจะอ่อนแอ นอกจากอ่อนแอแล้วนะสมัยใหม่หนี่เป็นกันเยอะก็คือจะชอบเอาใจเด็กเอาใจในที่นี้ก็คืออยากได้อะไรซื้อให้นะอยากไปเที่ยวที่ไหนประเคนให้หมดเสาววัยทย์ส่วนใหญ่ก็พาไปห้างพาไปห้างแล้วซื้อของให้ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุขโอ้เรามีความสุขและคิดว่านั่นคือทําสิ่งที่ดีระวังให้ดีนะยมกําลังจะเจอยาพิษบางอย่างให้กับอุปนิสัยของเด็กหรือเปล่ายมลองนึกดูนะในสมัยโบราณ แ้นะ่ทำไมคนถึงมีจิตใจดีสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขามีเวลาว่างนะหรือวันหยุดเขาไปที่ไหนเอ่ยไปวัดนะในขณะที่ไปวัดนั้นไปทำบุญขณะที่ไปทำบุญนี่เด็กได้หรือว่าเด็กให้เด็กให้ใช่หเอาของไปใหนะ้ให้กับพระบ้างหรือไม่ก็เอาไปให้เอาไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นเด็กเขาจะเริ่มผูกระหว่ามการให้ นะการให้ความรักของพ่อแม่แล้วก็ความสุขเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาโตขึ้นเขาได้ผูกจิตใจไว้อย่างนี้เมื่อเขาได้ให้เขารู้สึกมีความสุขใช่ไม่ใช่ความรู้สึกเพื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นความรู้สึกไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะนอกจากนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่เด็กจะถูกฝึกเลยนะตื่นมาตอนเช้าเสร็จนี่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกต้องลุกขึ้นหุงข้าวนะช่วยแม่หุงข้าว ปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดฝึกให้เขามีความอดทนมีความอดทนมีระเบียบวินยัยแต่ว่าสมัยนี้ละ่ะดูทีวี <c oughs> นะอยากได้อะไรพ่อแม่ทําให้ใช้พ่อแม่เมื่อก่อนนี่พ่อแม่ใช้เด็กนะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะกลับกันกลายเป็นเด็กใช้พ่อแม่อยากได้อะไรแม่อยากได้นั่นพ่ออยากได้นีนะ่พ่อแม่ก็ไปวิ่งหาให้นะบอกว่าเนี่คือความรัก พอถึงวันหยุดไปไหนไปเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างนี่ได้หรือให้เด็กจะเรียกร้องอยากจะเอาเพราะเขาจะเห็นของที่อยากได้แล้วเขาจะเริ่มผูกความรักของพ่อแม่วัตถุและการได้เนี่ยและการได้เนี่ยมันต่างจากการให้นะ้การได้เนี่ยมันต้องได้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะสุขมันต่างจากการให้ให้เนี่ยให้น้อยให้มากมีความสุข แต่ได้นี่ต้องได้มากขึ้นไปเรื่อยๆและต้องได้ด้วยนะถ้าไม่ได้ทุกเขาจะเริ่มผูกเขาด้วยกันคือถ้าไม่ได้เมื่อไรหมายความว่าพ่อแม่ไม่รักแลวจะเกิดอะไรขึ้นลนะ่ะในชีวิตจริงของเขาจะได้อย่างนั้นไปตลอดไหมแล้วต่อไปในอนาคตเขาเติบโตขึ้นมาจะมีความสุขหรือความทุกข์นะอันนี้ฝากไว้สำหรับญาติโยมนะหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การตามใจเด็กหรือเอาใจเด็ก แต่หน้าที่ของเราคือฝึกเขาฝึกเขาให้พึ่งตัวเองได้ฝึกเขาให้พึ่งตัวเองได้ อ, ไดอย่าไปเลี้ยงดูเขาอย่างที่ให้เขาขึ้นต่อเราแต่พ่อแม่มักจะติดตรงนี้แหละคืออยากให้เขาเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดอยากให้เขาติดเราอยู่ตลอดรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้เขาอยู่ตลอดแต่การทำเช่นนั้นให้ระวังนะคือการทำร้ายเด็กแทงอ้อมฝึกเขาให้รู้จักช่วยตัวเอง วันเด็กที่ถูกพ่อแม่โอเอาใจมากและถูกตามใจเด็กพวกนี้จะอ่อนแอมีอะไรกระทบนิดหน่อยก็จะทนไม่ได้อาการอ่อนแอที่จะแสดงออกมาให้เห็นก็คือเกิดอาการโกรธได้ง่ายทําไม่ได้ดังใจนี้โกรธปึงปังห้ามไม่ได้นะีวเราเรียกว่าอาการอ่อนแออย่างหนึ่งนะอย่างที่สองคือแข็งกร้าวนะถ้าไม่ได้ดังใจนี่ปึงปังขึ้นมาทันทีนี่คืออาการแข็งกร้าวนะแล้วก็ไม่ใส่ใจคนอื่นไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น เพราะเขาไม่เคยถูกฝึกให้ให้หรือไม่เคยถูกฝึกให้ทำเพื่อผู้อื่น่ยถูกฝึกเพียงแค่ว่าฉันอยากได้อะไรแล้วฉันต้องได้พวกนี้พอไม่ได้ก็จะเกิดอาการโกรธพวกนี้แข็งกล้าวนะนอกจากนั้นแล้วเป็นเด็กที่อนะ่อนแอทำอะไรให้สำเร็จหรือเจอแต่สิ่งที่ยากจะไม่สู้เพราะไม่เคยถูกฝึกขึ้นมาดังนะนั้นการฝึกเด็กเนี่ยต้องฝึกให้เขาอ่อนโยน จิตใจเขาจะอ่อนโยนได้ก็ต่อเมื่อเขาได้ให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเขารู้สึกมีความสุขเมื่อนั้นเี่ยเขาจะเริ่มรู้เข้าใจและเริ่มกํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยนี่คือฝึกให้จิตใจเขาอ่อนโยนใช่ไหมหรือเวลาท้าเข้าทําคุณงามความดีหรือนําเข้าทําคุณงามความดีเขาจะมีความรู้สึกมีความสุขในการทําคุณงามความดีในการบรรเ็าประโยชน์ในการให้เยจิตใจเด็กจะอ่อนโยนขึ้นมา ฝึกให้เขารู้สั ก, กรับผิดชอบเด็กจะแข็งแกรง่งไม่ไปทำให้เขาถ้าเป็นหน้าที่แต่เขาจะต้องทำได้ให้ได้ด้วยตัวเองค่อยๆฝึกเขาขึ้นมาเด็กเขาจะเริ่มรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วสามารถเอาชนะใจตัวเองที่อยากเล่นอยากไปเที่ยวอยากเล่นไม่อยากทำได้มันเด็กอย่างนี้จะเป็นคนที่แข็งแกรง่งไม่ใช่แข็งกร้าวนะฝึกให้เขาอ่อนโยนให้เขาแข็งแกรง่งแล้วมีจิตใจที่ดีงาม อันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยงพี่พ่อแม่เหมือนกับเราเลี้ยงพ่อแม่ต้องอย่าเลี้ยงลูกเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะระวังให้ดีนะที่บอกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงเราอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นนะแต่ว่าเราจะไม่ได้คํานึงถึงอนาคตว่าเขาจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างใจเราหรือเป็นเด็กอยู่อย่งงางนั้นไปตลอดนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว <S <S เขาจะไม่รู้ <S <S ไม่มีวันโตและจะพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วจะเป็นโทษกับตัวของเขาเองในอนาคตด้วย ันหน้าที่ของพ่อแม่ในหลักพุทธศาสนานะห้ามปราบจากสิ่งที่ชั่วฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องฝึกให้เขาทําขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะไม่ใช่เราไปทําใหนะ้อันนี้อยากจะเน้นย้ำสักทีหนึ่งเพราะว่าถ้าสังคมตะวันออกอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะคนจิตใจจะมีจิตใจเมตตามากนะแต่ข้อเสียของการมีเมตตาก็คืออะไรเอ่ยจะคอยช่วยอยู่ตลอด มันจะกลายเป็นสังคมที่เด็กจะมีลักษณะต้องพึ่งพิงผู้อื่นนะจะจะตายจากสังคมตะวันตกนะถ้าทางตะวันตกนี่เขาจะฝึกเด็กให้ช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะฉะเมื่อเขาฝึกเด็กให้ช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กของเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากมีความรับผิดชอบสูงเพราะถ้าเขาไม่ทําไม่มีใครทําให้มันต้องทำํำถ้าไม่ทําก็แย่ไปเลยนะหรือไม่ทํำก็อดไปเลย เราต้องเอาตรงนี้มาทําให้สมดุลให้ได้นะในเรื่องของน้ําจิตน้ําใจเรื่องของเมตตามันจะทําให้จิตใจเด็กอ่อนโยนยแต่ในเรื่องของการฝึกในเรื่องของรเราเปรียบวินยัยจะทําให้เด็กแข็งแกร่งขึ้นมาสองอย่างนี้ต้องให้ได้สมดุลซึ่งกันและกันจากนั้นประการที่สี่นะเป็นธุระเมื่อถึงคราวมีคู่ครองนะก็ไม่ต้องถึงกับบังคับหรือคุมถุงชนเหมือนในในอดีตนะ แต่อย่างน้อยที่สุดช่วยดูหน่อยนะรูปชอบพอกับคนนี้นะตอนที่รักกันบางทีมองไม่เห็นข้อเสียหรอกแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมองตรงนี้ได้นะอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนค่อยให้ค่อยๆให้ดูแง่มุมต่างๆอันนี้ก็คือเมื่อถึงธุระมีค่ณค่า ม, มีคู่ครองก็เป็นธุระช่วยจัดแจงจัดหาหรือว่าช่วยในแง่ของงานงานแต่งงานหรือว่าอะไรแบบนี้หรือแม้แต่กระทั่งช่วยดู เขาจะได้เลือกได้ถูกไม่งั้นถ้าช่วงเข้าสู่วัยรุ่นี่ยจะเป็นไปตามอารมณ์มากกว่าโดยวัยมันเป็นอย่างนั้นะพอช่วงสิบห้าสิบกเนี่ยจะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามแต่ตอนนั้นมันเป็นการสนใจโดยอารมณ์ซสียเป็นส่วนใหญ่ะจะเห็นว่าจะช่วงวัยรุ่นเนี่ยหล่อสวยอย่างเดียวอันนี้เป็นอย่างแรกแต่ยังอื่นบางทีไม่ได้มองะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปกว่านั้นประมาณสักยี่สบสี่ยิบห้าขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมองส่วนอื่นมากกว่าลักษณะอุปนิสัยใจคอจะเริ่มมองในสิ่งเหล่านี้มากขึ้น เพราฉะนเราเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อแม่ก็ต้องช่วยลูกดูนะแล้วก็คอยสอนเขาในการมองสิ่งเหล่านี้ด้วยนะแล้วก็ประการสุดท้ายมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสในที่นี้ก็เพื่อให้เขาตั้งตัวได้นะยึดเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งเมื่อถึงโอกาสคือเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเช่นเขาสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วเขาสามารถนํำทรัพย์สมบัตินั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเขาหรือสร้างสารรค์คุณงามความดีได้นั่นแหละจึงจะสมควรมอบทรัพย์สมบัติให้ไม่ใช่มอบให้ตอนที่เขาอยากได้เพื่อที่เขาจะเอาไปซื้อสิ่งของไม่ใช่นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในแง่ของทิศที่หนึ่งเพราะถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเอาถามตัวเองว่าเราได้ทํำไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงลูกตามใจลูกเอาแต่โอลูกไม่ฝึกลูกให้ทําไม่ฝึกลูกให้มีความเข้มแข็งขึ้นมา ผิดหลักวินัยข้อนี้แล้วนะเข้าใจนะถ้าไม่สอนลูกไม่ได้ให้เวลากับลูกเลยก็ผิดหลักวินัยข้อนี้แล้วนะในฐานะของชาวพุทธนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเองเลยนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเลยเป็นเป็นพุทธศาส น, นิกชนเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบุตรธิดาและในฐานะหน้าที่เราเป็นลูกเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่นะถ้าใครไม่ทําก็ถือว่าผิดวินัยนะผิดวิในัยในข้อนี้ อ่าวต่อไปทิปที่สองอ่าช่วยกันอ่านนิดหนึ่งกันแล้วกันทิปที่สองในฐานะที่เป็นสิท์ จะเจ็นญพรที่ที่สองที่เบื้องขวาถือมีความสําคัญรองลงมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือครูอาจารย์นะเทาที่โยมอ่านในโยมจะเห็นนะไม่ได้เน้นในแง่ของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเลยนะครูสอนสิทธิ์ไม่ใช่เพราะต้องการเงินเดือนจากครุษิศหรือต้องการเงินจากครุษิศสิทธิ์เคารพครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่เพราะว่าต้องการผลประโยชน์โนะยมลองสังเกตดูนะเป็นหน้าที่ของครุษิ์ที่มีต่อครูห้าข้อ หนึ่งให้ความเคารพให้ความเคารพในฐานะที่ท่านอุตสาสีสละเวลาช่วยดูแลช่วยสั่งสอนเราเมื่อในสมัยก่อนท่านจะถือเรื่องนี้มากนะถือเรื่องนี้มากในเรื่องของการให้ความเคารพครูอาจารย์นักครูอาจารย์สั่งสอนสิทธิ์เนี่ยสั่งสอนเพราะว่าอยากจะให้เข้ารู้ระพึ่งตัวเองได้ถ่ายทอดศิลประปิทยาให้ทั้งหมดจริงๆนั้นอย่างครูอาจารย์สมัยก่อนเนีย่ยบางทีดูแลสิทธิ์ไปถึงที่บ้านเลยนะ ทำไม่ดีเนี่ยแม้กระทั่งออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งเรียนจบแล้วเนีบางทีเรียกมาดุเลยนะถ้าใครอยู่โรงเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราจะเห็นนะแล้วคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยให้ความเคารพครูอาจารย์แม้จะจบออกไปแล้วนะความรู้สึกเป็นศิษย์อาจารย์เนี่ยนะยังมีอยู่ตลอดอย่างครูอาจารย์หลายๆท่านนะอย่างที่ครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้อายุมากแล้ว นะมีลูกเป็นผู้พิาพากษาเป็นอายการเป็นผู้พิาพากษาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะเขาก็เอามาสัมภาษณ์นะว่าสัมภาษณ์ลูกศิษย์ก่อนนะแล้วก็สัมภาษณ์ตัวอาจารย์ลูกศิษย์บอกว่าโอ้สมัยก่อนนี่อาจารย์ท่านนี้ดุมากนะดุมากนะถ้าโดดเรียนหรืออะไรนี่ตามถึงบ้านเลยนะตามถึงบ้านตามไปดูไปเพราะาอะไรทําไมไม่ไปเรียน แต่ลูกศิษย์แต่ละคนก็ทำมณ์ทั้งนั้นเหมือนกันโตขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ก็ทำมณ์ทั้งทั้งนั้นเหมือนกันนะแต่ตามนะคอยเขี่ยวเข็นคอยว่าคอยดุคอยจําจี้จำชายที่ว่าดุจําจี้จำชายเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ดุจําจี้จําชัยอย่างนี้เนี่ยเขาถึงประสบความสําเร็จในชีวิต น, นี่นคืออาจารย์สมัยก่อ น, นไม่ใช่เพราะว่าเขาให้เงินนะไม่เกี่ยวกับให้เงินไม่ให้เงินนะไม่ว่าให้เงินหรือไม่ให้เงินดูแล แล้วก็สั่งสอนอย่างเต็มที่ให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนี่คือหน้าที่ของครูอาจารย์ที่มีต่อศิษย์เพราะฉะนั้นในฐานะลูกศิษย์ตังต้งแต่บอกว่าต้องให้ความเคารพโดยเฉพาะถ้าครูอาจารย์สอนศิษย์จากใจจริงในะะงนักศึกษาอย่างนี้ความเคารพจะเกิดขึ้นนี่เคารพไม่ใช่แค่เคารพในใจพึงแสดงออกมาด้วยพึงแสดงออกมาในที่นี้ไม่ใช่ประโยชน์ต่อครูอาจารย์หรือต่อตัวเราเท่านั้นแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปให้กับสังคมของเราด้วยในการที่เราให้ความเคารพแล้วก็นับถือ บุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับเราก่อนในที่นี้ก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองอย่างที่สองเข้าไปหาเพื่อบำรุงรับใช้ตั้งใจฟังฟังให้เกิดปัญญานะเป็นสองสามในสมัยนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าชาวพูดของเราไปย่อหย่อนไปเยอะนะเราเรียนนี่เรียนเพื่ออะไรเอ่ยพอให้สอบผ่านเท่านั้นหรือว่าตั้งใจเรียนให้สมกับที่ครูอาจารย์เขาเหนื่อยยากมาสอนเรา ถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะตามหลักในวินัยของชาวพุทธนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อครูอาจารย์อุตส่าห์เหนื่อยยากเสียสละเวลามาสอนเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังฟังให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้แจ่มแจ้งไหนไนท่านต้องเหนื่อยมาสอนแล้วะไม่เข้าใจตรงไหนต้องสอบถามสักถามอนอกจากนั้นแล้วแต่ท่านเหนื่อยมาสอนเราเอามีกิจหน้าที่อะไรที่พอที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็ช่วยเหลือท่าน การที่เราทําอย่างนี้ในประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่ต่อครูอาจารย์นะประโยชน์ที่แท้จริงที่ได้คือต่อตัวของเราเองใช่ไหมเนี่ยต่อตัวของเราเองทั้งสิ้นะนะการเข้าไปปรึกษาหรือเข้าไปรับใช้ครูบาอาจารย์ในที่นี้นักยมก็จะเห็นนะถ้าใครใ น, ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะถ้าสนิทอาจารย์ท่านไหนมันที่จบออกมาไม่ต้องหางานนะอาจารย์เรียกไปทํางานเองเลยไว้ฝากงานให้เลยเพราะเขาไว้ใจนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อพวกเราเอง ต่อพวกเราเองโดยโดยตรงเลยนะในการที่เราเข้าไปหาบัรุงรับใช้ปรึกษาสักถามแล้วเวลาฟังหรือศึกษาก็ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังนะให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงนะประการที่4ปฏิบัติช่วยบ ร, ริการอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกระาัอยู่กระตัเวทีนั่นเองนะแล้วก็ประการที่5ศึกษาศิลปะวิทยาโดยความเคารพถือเป็นกิหน้าที่แล้วก็เอาจริงเอาจัง มนุกศิษย์ปฏิบัติต่ออย่างนี้ต่อครูอาจารย์ยมเป็นครูอาจารย์ยมรู้สึกยังไงล่ะเกิดกําลังใจอยากจะสอนใช่ไหมแล้วย่อมภูมิใจในตัวของลูกศิษย์แล้วก็จะอาจากช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเห <t Correct. S 2> <Dans S 1> ็นไหมในฐานะเราเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติอย่างนี้ต่อครูอาจารย์ครูอาจารย์นั้นก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราเพราะความที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลท่านตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังในสิ่งที่ท่านสอนและให้ความสําคัญในสิ่งที่ท่านสอนอย่างแท้จริงนั่นเอง อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่พึงมีต่อครูอาจารย์ส่วนครูอาจารย์มีหน้าที่ต่อลูกศิษย์ห้าประการด้วยกันนะมีอะไรบ้างนะตั้งแต่อบรมให้ตั้งอยู่ในให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วก็สอนศิลปะวิทยาอย่างสิ้นเชิงสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะ้นครูอาจารย์ในฐานะที่เป็นครูอาจารย์นี้ไม่ใช่สอนแค่วิชาชีพนะแต่ต้องสอนวิชาชีวิตให้กับลูกศิษย์ด้วย น, นี่สำคัญนะปัจจุบันนี้ถ้าอย่างไปเป็นเข้าติวเตอร์หรือเรียนพิเศษในส่วนใหญ่เขาสอนแต่วิชาชีพคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นยังไงเขาพูดว่าว่ า, วาไปมีหลักเทคนิคยังไงแต่นั่นยังไม่ใช่ลักษณะของครูอาจารย์ที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาครูอาจารย์ที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาเห็นเขาทําอะไรไม่ถูกต้องแนะนําตักเตือนสิ่งใดดีงามต้องคอยบอกคอยสอนจำชี้จำชัยแล้วก็ฝึกเขา อันนี้เราเรียกว่าเป็นวิชาชีวิตปัจจุบันนี้เราเป็นเนวิชาชีพมากกว่าวิชาชีวิตมันเลยมันก็เลยมีปัญหาไงมือทีก็กลายเป็นว่าอาจารย์เข้ามาสอนนี้เป็นเรื่องของการจ้างงานสอนแล้วต้องถูกใจฉันนะไม่ถูกใจฉันฉันก็จ้างคนใหม่เข้ามาหรือไปเรียนที่ใหม่มันกลายเป็นอย่างนั้นไป ความรู้สึกที่เป็นน้ำจิตน้าใจความรู้สึกที่ห่วงใยดูแลเอาใจใ ส, ส่ซึ่งกันและกันมันหักขาดหายไปนะมันตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะการที่ครูอาจารย์สอนนั้นไม่ใช่สอนเพียงแค่วิชาชีวิตแต่ต้องเข้าไปถึงด้านจิตใจของเขาด้วยนะซึกอบรมไปถึงในด้านจิตใจของเขาด้วยนะนอกจากนั้นส่งเสริมยกย่ำความดีงามความสามารถให้ปรากฏเนะมื่อลูกศิษย์ทาดีก็ส่งเสริม เห็นช่องทางใดจะทําให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าก็ส่งเสริมแล้วก็สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศนะในที่นี้ก็คือฝึกให้ลูกศิษย์สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงที่จะไปประกอบกิจหน้าที่การงานรวมถึงมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงนะที่จะทําให้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามนั่นเองะหน้านที่ของครูบาอาจารย์นั้นจึงต้องฝึกทั้งในเรื่องของพฤติกรรมของเขาจิตใจของเขา แล้วก็ปัญญาของเขานี่คือหน้าที่ของครูอาจารย์ออันนี้อาตมาคงขออธิบายโดยสังเกตเองแค่นี้นะเพรานั้นสังเกตนิดหนึ่งนะหลักในทางพุทธศาสนาไม่ว่าปฏิบัติต่อทิศไหนะความสัมพันธ์ที่จะต้องเกื้อกูลต่อกันนั้นจะมีความสัมพันธ์สามด้านเสมอคือด้านพฤติกรรมจิตใจและก็ปัญญาอยากจะให้ลองสังเกตนิดหนึ่งแต่ในเรื่องของรูปแบบในการปฏิบัติต่อกันนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่า เป็นทิพย์ไหนหรือเป็นบุคลบบคลไหนต่อบุคคลไหนแต่จะมีหลักนี้อยู่เสมอเลยอันนี้ตั้งข้อสังเกตให้กับช่กคเอาต่อมาทิพย์ที่สามนะในฐานะที่เป็นสามีอ่าอ่านดังๆเลยนะทิพย์ที่สาม ในสมัยโบราณ น, นั้นเนื่องจากว่าภรรยาเมื่อแต่งแล้วมักจะมาอยู่ที่บ้านของสามีนะมันจะมาอยู่ที่บ้านของสามีวันในสมัยก่อนเนี่ยบางทีจะมีการอ่าเรียกว่าอะไรล่ะแบ่งในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายค่อนข้างชัดเจนเมื่อมาแต่งแล้วบางทีภรรยานี่แทบแทบจะเหมือนนะในสมัยโบราณ น, นะแทบจะเหมือนอ่าไพรในเรือนเบี้ยนะ แต่ในหลักพุอเศาสนาท่านไม่ยอมรับตรงจุดนี้นะมาอยู่ร่วมกันในมาอยู่ร่วมกันในธนะกัลยาณมิตรนะแม้ผู้ชายก็ต้องให้เกียรตนะิในฐานะที่เขาเป็นกัลยาณมิตรนะหรือเป็นอมิตรประเภทที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเรานะภรรยานี่จะจัดอยู่ในพินประเภทร่วมสุขร่วมทุกข์กับเราดันันจึงต้องยกย่องแล้วก็ให้เกียรติในฐานะที่เป็นภรรยานะในที่นี้เป็นเรื่องของการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อีกอย่างหนึง่งไม่ดูหมินไม่นอกใจนะอันนี้ค็อถือเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์อันนี้จะอยู่ในด้านของจิตใจใช่ไหมบำรุงจิตใจของภรรยาด้วยการที่ไม่ดูหมินนะไม่ดูถูกไม่ดูหมินไม่นอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อเขาให้ความรักต่อเขาประการที่สีมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านนะเพราะว่าในสมัยโบราณอย่างที่เราคงทราบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะไม่ได้ทางาน ในที่นี้ก็เรื่องเป็นเรื่องของการแบ่งงานไงสามีออกเป็นไปทํางานนอกบ้านนะก็ไว้วางใจภรรยาในแง่ของการดูแลในการตัดสินใจสิ่งที่งานที่อยู่ในบ้านนะบางทีไปงานแต่งงานในสมัยก่อนนะพวกผู้หลับผู้ใหญ่ก็มักจะขึ้นไปพูดนะซึ่งเขาบอกพูดได้ดีนะเขาบอกว่านะสามีกับภรรยาเมื่อแต่งงานกันแล้วในะคู่ครองเมื่อแต่งงานกันไปแล้วเนะี่ย เรื่องใหญ่ ๆ, ๆเนี่ยควรให้สามีทำส่วนเรื่องเล็กๆเนี่ยนะเรื่องเล็กๆเรื่องภายในบ้านนั้นควรให้ภรรยาทำเรื่องใหญ่ๆเช่นอะไรเอ่ยนะจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไหมอนาคตเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะนนนอัี้่ผู้ชายควรจะเป็นคนตัดสินใจนะส่วนจะซื้อของอะไรนะที่บ้านจะเป็นยังไงจะเลี้ยงดูลูกอย่างไรนะแล้วก็ เงินเก็บในใจคุณดูแลรักษายัางไงอันนี้ควให้ภ ร, รรยาทะเออก็เป็นการแบ่งงานที่ดีเนาะอันนี้เขาก็พูดในเชิงติดตลกนะพูดติดตลกนะแล้วก็ประการสุดท้ายหาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจที่มีต่อกันในเรื่องของการให้วัตถุใช่ไหมในเรื่องของการให้วัตถุนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นคู่ครองเป็นสามีภรรยาก็าข อ, ขอให้นึกเหมือนกับตอนที่จีบกันใหม่ๆนั่นแหละนะ ไม่ใช่พอแต่งงานเป็นนไปแล้วผ่านไปห้าปีสิบปีก็เลยละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพราะสิ่งเล็กๆเหล่าน้อยๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องบำรุงจิตใจในการอยู่ร่วมกันเราเรียกว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจซึ่งมีให้กันนจะทําให้เกิดความห่วงใยเกิดความดูแลเกิดความรักใคร่สามัคคีกันขึ้นมาส่วนภรรยาอนุเคราะห์สามีในเมื่อเขามอบความเป็นใหญ่ไว้ให้ในบ้านแล้วและโดยลักษณะของผู้หญิงจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบช่างจัดช่างทําอยู่แล้ว นั่นหลักในทางพุทธศาสนาก็จะเอาหลักตรงส่วนนี้แหละความเป็นจุดเด่นของความเป็นผู้หญิงตรงจุดนี้มาใช้ในการแบ่งงานหรือแบ่งหน้าที่จะเห็นว่าในแง่ของภรรยา น, นั้นพึงจัดบ้านให้เรียบร้อยขยันช่างจัดช่างทํา อ, องค์การงานทุกอย่างข้อหนึ่งกับข้อห้าในลักษณะของผู้หญิงเลยใช่ไหมจะเห็นว่าการแบ่งหรือการช่วยกันหรือการอยู่ร่วมกันนั้นตามความถนัดใช่ไหมตามความถนัดอีกอย่างหนึ่งสงเคราะห์มิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ในที่นี้ก็หมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องให้ความสำคัญโดยเท่าเทียมกันรู้จักช่วยสงเคราะห์ไม่นอกใจแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ในที่นี้ถ้าจะแบ่งออกมาอย่างง่ายๆก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่มีต่อกันและเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อกันนั่นเองเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมก็อย่างเช่นการไม่นอกใจการช่วยกันดูแลรักษา ทรัพ ส, สมบัติหรือสงเคราะห์ญาติทั้งสองฝ่ายพอในด้านของจิตใจคืออะไรไม่นอกใจใช่ไงมมีความซื่อสัตย์นะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญเลยนะสำหรับการมีคู่ครองการมีคู่ครองในหลักพุทธศาสนานั้นมองไปในแง่ของการมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะเป็นกัลยาณมิตรเมื่อเป็นกัลยาณมิตร ก็ช่วยกันจัดช่วยกันทํามีหน้าที่การงานอะไรก็ช่วยกันจัดช่วยกันทําตามความรู้ตามความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะผู้ชายในแง่ของกําลังแรงกายเยอะแต่ผู้หญิงนั้นมีความอาเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความขยนันมีความช่างจัดช่างทําเยอะก็จะแบ่งงานกันทําให้สมกับลักษณะนักบุคลิ ก, ล ก, รลกหรืออุปนิสัยนั่นเอ ง, น, น, เองนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของจิตใจความซื่อสัตย์ต่อกัน ท่านก็เน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสามีที่ดูหมิ่นภรรยาก็ถือว่าผิดวินัยชาวพูดข้อนี้นะไม่ว่าภรรยาหรือว่าสามีหากมีกิก๊กก็ผิดข้อนี้เช่นเดียวกันนะเข้าใจนะอ้านะต่อมาทิศที่สี่นะททีท่สี่ จเจลนพรอัตมาจะสรุปหลักอย่างง่ายๆนะยมลองสังเกตทุกข้อของทิศเลยนะหนึ่งจะมีเรื่องของการส่งเคราะห์ช่วยเหลือกันในด้านของวัตถุสองจะมีด้านของพฤติกรรมนะการปฏิบัติต่อกันให้สมกับฐานนะสามจะมีเรื่องของการรักษาน้ำจิตน้ำใจรวมไปถึงซื่อสัตว์สึ่ง ก, กันแลวกันยมคุ้นๆไม่หลักนี้ บุญกิริยาพัตถุนั่นเองทานศีลใช่ไหมทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาคือด้านของจิตใจนะให้หลักเอาไว้ง่ายๆอย่างนี้นะต่อทิศทั้งหกเลยนะคือให้ทำบุญตลอดนะสงเคราะห์ช่วยเหลือเกากูเนี่ยโยมลองดูในแง่ของมิสหายนะมีอะไรสงเคราะห์ช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันใช่ไหมนี่คือทาน พูดจามีน้ำใจช่วยเหลือเกื้ากูนะอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหมมีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์แล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจอันนี้เป็นด้านของจิตใจนะนนี่เป็นหลักเอาไว้ให้นะถ้าจะจําอย่างง่ายๆก็คือหลักในเรื่องของวัตถุพฤติกรรมแล้วก็ทางด้านจิตใจแล้วก็ปัญญานั่นเองนะอีกอย่างหนึ่งมิสงสายเพิ่ง อ, อนุครอบตอบนะโยมถ้าโยมสังเกตจะเห็นว่าเป็นหลักของ มิตรอุปการะใช่ไหมมิตรแทร้ที่เป็นมิตรอุปการะนั่นเองนะมีอะไรก็อุปการะช่วยเหลือเพื่อนประมาทรักษาทรัพย์ประมาทช่วยป้องกันถึงคราวมีภัยเป็นที่เพื่งได้ไม่ละทิ้งยามทุกยากและรวมไปถึงนับถือไปตลอดถึงวงตระกูลนะให้เกียรติกับเพื่อนนั่นเองนะอันนี้คงไม่ขออธิบายมากลักษณะของมิตรนะเพราะวันนเรื่องของมิตรนั้นอธิบายรายละเอียดเป็นเรื่องของลักษณะมิตรแทร้มิตรเทียมไปแล้ว อันนี้ต้องถามตัวเองว่าเท่าที่อ่านนี้เราได้ทำอย่างนั้นกับเพื่อนกับคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราบ้างหรือเปล่านะอันนี้ฝากกับโยมเมาไว้นะต่อมาที่ที่ห้านะในฐานะนายจ้างจเจริญ t อน จเจนผ่อนข้อนี้อยากจะขอเน้นย้ำสันิดหนึ่งในแง่ของนายจ้างกับลูกจ้างถ้าในหลักของพุทธศาสนานั้นฐานะของนายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้มองในฐานะที่เขามาเป็นคนรับใช้แล้วก็ไม่ใช่ทำงานเพราะว่าต้องการเงินจากนายจ้างเป็นหลักลองสังเกตดูนะนายจ้างบำรุงลูกจ้างหมายถึงช่วยเหลือเขา เมื่อนายจ้างช่วยเหลือลูกจ้างลูกจ้างพึงแสดงออกซึ่งน้ำใจต่อนายจ้างเป็นเรื่องของความเป็นไกรลานมิตรซึ่งกันและกันนั่นเองก็ในฐานะของลูกจ้างนั้นเข้ามาช่วยงานเข้ามาช่วยงานของนายจ้างเพราะฉะนั้นก็พึงดูแลเขาให้ดีให้เขามีความสุขแล้วก็ให้เขาเกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจซึ่งมีต่อกัน ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันหายไปเยอะเลยนะส่วนใหญ่ลูกจ้างเข้ามาก็หวังแค่เงินจากนายจ้างให้เยอะมากที่สุดนายจ้างก็บอกว่าจะต้องใช้ลูกจ้างให้คุ้มค่าเงินที่จ่ายให้มากที่สุดเข้มหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาถ้ามองตามหลักพุทธศาสนานายจ้างนี้ถือเป็นทิศเบื้องบนของลูกจ้างลูกจ้างนั้นถือเป็นทิศเบื้องล่าง อาเมื่อเขามีโอกาสน้อยกว่าเราเราแสดงออกซึ่งน้ําจิตน้ําใจที่มีต่อเขาด้วยการให้โอกาสเขาเข้ามาทํากิจหน้าที่การงานเมื่อเขาเข้ามาช่วยงานก็แสดงออกด้วน้ําใจด้วยการให้ค่าจ้างหรือให้ผลตอบแทนแต่ยมลองสังเกตนะ 1. จัดงานให้เหมาะสมกับลูกจ้างเหมาะสมกับกําลังเพศวัยและก็ความสามารถอันนี้เป็นหลักบริหารที่พระพุทธเจ้าท่าตรัสไว้ตั้งแต่2500กว่าปีที่แล้ว จ้างเขาเข้ามาไม่ใช่ให้ทำอะไรก็ได้นะแต่ต้องดูด้วยว่าเขาถนัดตรงจุดไหนเขาจะช่วยงานเราได้ที่ตรงจุดไหนบ้างยมลองสังเกตดูว่าถ้าเราได้ทำงานที่เหมาะสมกับความถนัดหรือทำงานที่เราถนัดเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขในการทำงานใช่หรือไม่เมื่อคนมีความสุขในการทำงานงานนั้นมันจะออกมาดีเพราะฉะนั้นนายจ้างจึงควรที่จะต้องจัดแล้วก็เลือกงานให้เหมาะสมกับลูกจ้างด้วย อย่างที่สองให้ค่าจ้างรางวัลตามสมควรแก่งานและความเป็นอยู่สมควรแก่ความแก่งานก็คือว่าเขาทำงานมากน้อยมีความสามารถแค่ไหนแต่อย่างที่สองที่สำคัญคือต้องให้ลูกจ้างนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขด้วยคือเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเขาเพราะในที่นี้ไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้บางทีลูกจ้าง มีครอบครัวเขาลําบากมากก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือเขาบา้างนะมองในแง่นี้เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจที่มีให้นะอย่างที่สามจัดสวัสดิการรักษาช่วยเหลือพยาบาลยามเจ็บเจ็บไข้อันนี้ก็เรื่องของน้ําจิตน้ําใจนั่นเองนะแล้วก็มีอะไรพิเศษได้มาก็แบ่งปันนอกจากนั้นให้มีวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจนะเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือทํากิจธุระส่วนตัวมองอย่างนี้ จะเห็นว่าฐานะลูกจ้างกับนายจ้างนั้นทำหน้าที่ในฐานะการยานามิตรซึ่งกันและกันเพียงแต่ต่างฐานะในฐานะที่เขามาช่วยงานเรานะเราก็พึงที่จะต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างถูกต้องแล้วก็ให้เกียรติเขาด้วยนะไม่ใช่ใช้ตามใจของฉันหรือว่าข่มเขานะหรือว่ า, าใช้งานเขาเือนเขาเป็นทาสนะถ้าเราช่วยงานเขาเข้ามาช่วยงานเราเราปฏิบัติต่อเขาดีดอย่างนี้ นะจะได้ใจของลูกจ้างด้วยใช่ไหมเวลาได้ใจกันเนี่ยนะเวลาทําเขาทํางานให้เราเนี่ยก็จะทํางานให้กับเราด้วยความสุขไม่ใช่เพราะความรู้สึกถูกบีบบังคับให้ทําแต่มันจะเ ป, นเป็นความรู้สึกเพราะว่าอยากทําให้นะเพราะมีความรักในหน่วยงานองค์กรหรือว่าหัวหน้าจึงอยากทําให้อยากช่วยเหลือนะถ้าทํางานอย่างนี้นะ่ะคนทํางานเองก็มีความสุขนะเอาในฐานะของคนรับใช้หรือคนงานนะหรือว่าลูกจ้าง เพิ่งปฏิบัติตอย่างไรต่อนายจ้างนะเริ่มทำงานก่อนเลิกงานทีหลังนะเอาในฐานะเขาให้โอกาสเรานะเราเองเนี่ยนะนึกถึงก่อนที่เราจะได้งานทำสินะลำบากไม่มีงานทาอยากทำงานแต่เมื่อนายจ้างนะหรือองค์กรนั้นให้โอกาสเราแล้วนะแล้วก็คุณจะต้องทำงานนั้นให้เต็มที่ใช่ไหมแลโดยปกติในสมัยก่อนท่านก็บอกว่าให้เริ่มงานก่อนแล้วก็เิงานทีหลัง คือมีอะไรต้องขยันทําก่อนแล้วก็เลิกงานที่หลังก็หมายความว่าต้องคอยจัดเก็บสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับต้องคอยดูแลสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับสามเอาแต่ของที่นายให้สี่ก็ทำงานให้ดีเรียบร้อยให้ดียิ่งๆขึ้นไปในที่นี้ในฐานะที่เป็นลูกจ้างเรามีหน้าที่ที่จะต้องคอยปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนางานอยู่ตลอดไม่ใช่ทางานแค่ไหนแค่นั้น มีหน้าที่คอยปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแล้วยินดีเฉพาะของที่เขาให้เท่านั้นนะในที่นี้ก็มุ่งไปที่ความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้างซึ่งอาตมาคิดว่าค่อนข้างจะตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะก็คงจะขอผ่านนะขอผ่านในในเรื่องนี้นะแล้วก็ประกาศสุดท้ายนะประกาศที่ห้านำความดีของนายจ้างไปเผยแผ่การที่ลูกจ้างทําอย่างนี้เนี่ยผลดีที่ได้ไม่ใช่แค่ต่อแค่หน่วยงานและองค์กรเท่านั้นนะ แต่เป็นต่อตัวของลูกจ้างเองอาตมาให้หลักง่ายๆอย่างนี้โยมลองนึกถึงซิว่าถ้าโยมไปเดี่ยวงานนะคุยกับคนที่เรากําลังติดต่องานด้วยไอ้คนนี้มีแต่ดาบริษัทตัวเองอยู่ตลอดบริษัทนั้นไม่ดีอย่างนั้นไอ้คนนั้นก็ไม่ดีอย่างนี้โยมรู้สึกอย่างไรต่อบริษัทนั้นและโยมรู้สึกอย่างไรต่อพนักงานคนนั้น เป็นโยมโยมจากพนัก ง, งานคนนั้นเข้ามาทํางานไหมแต่ในทางตรงกันข้ามนะพนัก ง, งานคนนั้นเมื่อมาติดต่อเขาพูดชมบริษัทเขารู้สึกมีความสุขพูดชมบริษัทโยมรู้สึกอย่างไรต่อบริษัทนั้นและโยมรู้สึกอย่างไรต่อพนัก ง, งานคนนั้นถ้าโยมมีโอกาสโยมอยากได้พนัก ง, งานเช่นอย่างนี้มาทํางานด้วยไหมงั้นประโยชน์นี้เกิดขึ้นต่อใคร ต่อตัวของลูกจ้างเองนั่นแหละนายจ้างเองก็ได้ประโยชน์ลูกจ้างเองก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมในลูกจ้างเองก็ในฐานะที่เขาให้โอกาสเขาอุตส่าห์มีน้ำใจตอบแทนมาให้กับเรานะเราก็เห็นคุณงามคุณงามความดีของเขาในจุดนี้เพราะการทํางานในแง่ของในเชิงของสังคมตำหนักพุทธศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องของการแบ่งปันการช่วยเหลือและการมีน้ำชิดน้ำใจเึ่งกันะกนะครับ เนันการค้าขายเนี่ยถ้าเรามองในสมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยยังไม่มีการค้าขายมีแต่อะไรเอ่ยบ้านใกล้เรือนเคียงก็เอาของมาแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจซึ่งให้ซึ่งกันและกันใช่หรือไม่นั่นคือในสมัยโบราณต่อมาก็พยายามคิดว่าเออเมื่อจะแบ่งปันกันจะเอาอะไรมาเป็นสื่อแทนก็มีการคิดเป็นเงินขึ้นมาเอาไว้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนต่อมาคนก็เลยมาเห็น ว่าเงินมีความสําคัญมากกว่าแล้วก็ลืมลืมน้ําจิตน้ําใจในอดีตไปเหมือนกันนะ่ะพวกเราทํางานในปัจจุบันนี้นะเราทํางานในทีนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราช่วยสังคมมีน้ําจิตน้ําใจต่อสังคมสังคมก็ช่วยเหลือเรามาผ่านทางอะไรเอ่ยทั้งระบบการจ้างงานนั้นจะเป็นเรื่องของน้ําจิตน้ำใจของสังคมที่มีต่อเราถ้าเราทํางานด้วยความรู้สึกว่าเราอยากให้และเราอยากช่วยแบบนี้ความรู้สึกจะแตกต่าง แตกต่างจากเราทํางานเพราะต้องการเงินเดือนสูงๆความรู้สึกจะแตกต่างกันเยอะเลยเพราะในในหลักการในทางพุทธศาสนานั้นการทําหน้าที่การงานจึงไม่ใช่เพราะเพียงเพื่อต้องการปัจจัยยังชีพเป็นเป้าหมายเท่านั้นแต่มันเป็นการแสดงออกซึ่งน้ําจิตน้ําใจและเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมใครมีความสามารถตรงไหนทําจุดนั้นคนอื่นมีความสามารถตรงจุดไหนก็ทําจุดนั้น ได้มาก็แบ่งปันจัดสรรแบ่งปันซึ่งกันและกันตามหน้าที่ตามความยากของงานที่ทำถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสังคมแห่งความเรื้อกูลไม่ใช่เป็นสังคมแห่งผลประโยชน์หรือเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งในการจะประกอบคิดหน้าที่การงานแต่เป็นการเอาเรื่องของน้ำจิตน้ำใจความถนัดการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นตัวตั้ง อันนี้ก็ฝากไว้สําหรับญาติโยมด้วยนะในเรื่องของการทํางานเพราะปัจจุบันวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการทํางานนั้นมันผิดเพี้ยนไปจากอดีตเยอะนะเพราะหลักของชาวพุทธหรือว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ไม่ใช่ทํางานเพื่อได้นะแต่เราทํางานเพื่อให้เพื่อตอบแทนให้กับสังคมนะแล้วเมื่อได้รับเงินเดือนนั่นคือน้ําใจที่สังคมมีให้กับเรานะมีให้กับเราจากหน้าที่การงานจากกิจา ก, การงานหน้าที่ที่เราได้ช่วยเหลือตอบออกไปสู่สังคมนั่นเอง อ่าที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่ที่หก จะเห็นพรนะหน้าที่ของค้าราชกาต่อพระสงฆ์นะถ้าจะแบ่งอย่างง่ายๆ่ยมจะเห็นนะอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสีคือทานต้อนรับด้วยความเต็มใจนี่คือศีลพูดทําคิดด้วยเมตตานี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจหรือภาวนาอนะันี่คือจําอย่างง่ายง่านะจำอย่างง่ายๆในฐานะของค้าราชการต้องยอมรับว่าข้าราชกานั้นยังเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วเกี่ยวข้องกับวัตถุแต่ แต่พระพิสุสง์นั้นในวินัยในทางพุทธศาสนาบัญญตัตเอาไว้เลยพระสงฆ์ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้เพราะฉะนั้นในฐา น, นะเครื่องหัดเครื่องหัดประกอบอาชีพได้ก็มีน้ำใจต่อพระพิสุสง์ที่ท่านบอกว่าอยากต้องการเข้าไปศึกษาทางด้านจิตใจแล้วก็ต้องการเข้าไปศึกษาทางด้านปัญญาอย่างจริงจังในที่นี้เมื่อเห็นคนทําคุณงามความดีก็พึงช่วยอนุเคราะห์ อนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เรามีในที่นี้ก็คือปัจจัยสี่นั่นเองนะอนุเคราะห์ในที่นี้ก็คืออนุเคราะห์ไม่ให้ท่านต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนปัจจัยสี่นอกจากนั้นต้อนรับด้วยความเต็มใจต้อนรับด้วยความเต็มใจก็ให้เหมาะสมกับในฐานะที่ท่านเป็นพระพิสุทสงฆ์แล้วจะคิดจะทําจะพูดสิ่งใดก็ตั้งใจคิดทําพูดด้วยเมตตานะเพราะว่าอะไรเอ่ยนะทุกคนนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งสิ้น นะไม่ใช่มีแต่คนที่มีข้อดีตลอดหรือมีข้อเสียทั้งหมดก็ไม่ใช่แตนะ่ถ้ามองว่าเาเมื่อท่านจะฝึกเรามีอะไรพอช่วยเหลือท่านได้หรือท่านผิดพลาด อ, อะไรตรงจุดไหนก็ตั้งจิตเมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านให้ท่านได้ฝึกให้ท่านปฏิบัติให้ท่านได้ศึกษาและให้ประสบความสําเร็จนะอันนี้ก็จะเห็นเรื่องเป็นเรื่องของอไอเอยน้ําจิตน้ํำใจที่มีต่อพระพิสุทสงฆ์นั่นเองส่วนพระพิสุทสงฆ์นั้นมีสิ่งที่จะต้องอันครือัดอนุเคราะห์อันเครอือขอัดถึง หประการด้วยกันโยมลองสังเกตนะเทียบได้กับมิตรแนะนําประโยชน์ขึ้นะหนึ่งสอนให้เว้นจากความชั่วแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ ด, ด้วยความปรารถนาดีให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งแล้วก็บอกทางสวรรค์หกประการนี้มีไหมพระสงฆ์มีหน้าที่สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับครือขันสร้างโรงพยาบาลมีไหม พระสงฆ์มีหน้าที่เร่ร่ายเงินของญาติโยมจะได้เอาไปสร้างสิ่งใหญ่โตสร้างวัดให้ใหญ่โตมีไหมนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์นะ น, นั้นไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์นะเพราะนั้นพระสงฆ์หน้าที่คือสอนหลักแล้วก็หอปฏิบัติในการฝึกอบรมท่านจิตใจแล้วก็ทางด้านปัญญาให้ดียิ่ ง, งขึ้นไปในหลักในทางพุทธศาสนานีจะแบ่งหน้าที่กันเลยนะระหว่างฆราหัตกับพระภิกษุสงฆ์ พระภิกสุทธิ์สงฆง์มุ่งในแง่ของจิตใจและปัญญาขั้นสูงเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนอยู่กับในเรื่องของปัจจัยสี่เพราะคารืหัดจะเป็นคนอุปถัมภ์และด้านปัจจัยสีแต่หน้าที่ที่สําคัญของพระพิกสุทสงฆ์คือเมื่อศึกษาในด้านจิตใจและปัญญาในขั้นสูงแล้วต้องนําสิ่งเหล่านี้มาบอกมาสอนให้กับคารืหัดเราจะเห็นหน้าที่6อย่างนั้นเป็นเรื่องของการบอกการสอนและการฝึกให้กับคารืหัดทั้งสิน้นขอไป ส่วนในเรื่องของวัดวาอารามในเรื่องของสิ่งต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยเรื่องของวัตถุนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของน้ำใจของค้ารือหัดที่จะมีต่อพระพิสุทธิ์สงแล้วแต่ค้ารือหัดจะให้ลพพักษณะพระพิสุท์สงในสมัยโบ ร, ราณจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วแต่ค้ารือหัดจะให้เว้นไว้แต่ค้รือหัดขออย่างเช่นนังวิสาขานะต้องการที่จะสร้างวัดก็ไปขอพระพุทธเจ้าขอพระโมคคัลลานะให้มาช่วย ขอความอนุเคราะห์นะขอความอนุเคราะห์จากพระพุทธเจ้าขอพระพิสุสงฆ์มาให้มาช่วยช่วยในด้านของงานนวัตกรรมว่าจะสร้างอะไรที่ไหนอย่างไรนะเครื่องหัดก็ช่วยอุปถัมภ์ในด้านของวัตถุในด้านของการก่อสร้างพระพิสุทสงฆ์ก็อาจจะแสดงที่หรือบอกหรือว่าแนะนําว่าทําอย่างไรจรึงจะถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับสมณเพศนะนั่นก็คือหน้าที่แล้วก็ลักษณะของพระพิสุทสงฆ์ในสมัยก่อนนะมันก็เป็นการแบ่งใช่ไหม ในเมื่อพระพิสุทสงฆ์ต้องการฝึกทางด้านจิตใจปัญญาอย่างเต็มที่ท่านมุ่งทางด้านนี้เลยฝึกเสร็จแล้วหน้าที่คือมาบอกสอนครือขัดครือขัดยังเกี่ยวข้องกับวัตถุทํามาหากินหาเลี้ยงชีพเอาทางด้านวัตถุตรงส่วนนี้ให้พึ่งตัวเองได้และพอที่ช่วยเหลือช่วเกื้อกูลได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมาพบพระพิสุทสงฆ์ก็ศึกษาเรล่าเรียนจากพระภิสุทสงฆ์ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาทางด้านจิตใจและกัปัญญา ถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นการแบ่งงานกันทำตามความถนัดใช่ไหมใช่แล้วก็ตามอะไรเอ่ยตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลแต่ทั้งสองเป้าหมายนั้นกลับเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะกับเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็นี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้กับญาติโยมเพราะฉะนั้นพระภิก ษ, ษุสงฆ์เองหน้าที่ที่สาคัญซึงไม่ใช่หน้าที่ของการสร้างสาธารณประโยชน์แต่เป็นหน้าที่สั่งสอนฝึก โยมให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีฝึกโยมให้เว้นจากความชั่วฝึกโยมให้รู้จักและเข้าใจโลกและชีวิตให้ท่องแท้ตามความเป็นจริงนะอันนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญของพระพิสุทิสงฆ์ที่พึงปฏิบัติต่อญาติโยมนะส่วนญาติโยมนั้นอนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่อนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่นั้นก็คือเท่าที่เหมาะสมกับสมณะนะไม่ได้หมายความว่าต้องให้เงินเยอะๆนะให้ของเยอะๆไม่ใช่ อนุเคราะห์ให้เหมาะสมกับสมณะเพราะที่ท่านไม่ได้ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นภาระกับวัตถุนะสมัยนี้บางทีแหมเราชอบสร้างจังนะวัดที่ใหญ่โตนะวัดที่ใหญ่โตน ะ, ตนะประดับประด า, าเยอะนะแต่ขออภัยเถอะนะพระอยู่นี่เป็นพระแจ๋วไปเลย ว, วันวันเอาแต่นั่งทำความสะอาดวัดหมดแล้วนะ คิดหน้าที่ที่สำคัญที่แท้จริงคือการศึกษาการฝึกประพฤติปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยได้ทํานะและ้วก็การอุปถัมภ์คำจุนที่เขาเริ่มหัสพึงให้นะอย่าหยุดเพียงแค่วัตถุนะควรจะให้โอกาสกับพระได้ศึกษาตรงนี้สําคัญมากได้ศึกษาได้ปฏิบัติตรงนี้สําคัญมากนะบางทีเขาเริ่มหัสไปติดอยู่กับพิธีกรรมไงต้องพิธียาวๆเพื่อจะขลังศักดิ์สิทธิ์นะเพืจะคิดว่าพระอนุเคราะห์เราได้เยอะนะไม่ใช่นะ พระจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อครือขัดเปิดโอกาสให้พระได้สอนและครือขัดเองนะเข้ามาฝึกนะเข้ามาฝึกเข้ามาศึกษากับพระพิสุทิสงฆ์นั่นแหละจะทําให้ท่านได้ทํากิจหน้าที่ของท่านตามที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติหรือตามที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักเอาไว้ให้นะถ้าครือขัดเอาแต่นั่งทําพิธีในพระไม่ได้มีโอกาสสอนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้อนุเคราะห์กับครือขัด เพราะอันนี้ฝากไว้สําหรับญาติโยมเพราะว่าคนไทยมักจะติดในเรื่องของพิธีกรรมเยอะแล้วก็มากไปซะหน่อยนะมากไปนะแล้วบางทีพระก็เลยติดอยู่เพียงแค่นี้นะหน้าที่ที่สําคัญที่ท่านพึงจะทําก็เลยไม่ได้ทําในะปัจจุบันบางทีหน้าที่ที่สําคัญที่ควรจะทํากลับไม่ทําแต่ไปทําหน้าที่อื่นเช่นทําหน้าที่เรียบรายเงินบ้างนะะไปก่อสร้างสิ่งใหญ่โตนะก็พยายามหาเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะไปได้ไปก่อสร้างสิ่งใหญ่โตหรือบรจิจาคให้ได้มากๆบ้างนั่นไม่ใช่หน้าที่ของพระพิสุสง์เลยนะและจริงๆแล้วพระพิสุสง์ที่ไปทําการเรียรรายต่างๆเหล่านั้นให้โยมทราบไว้ว่าเป็นความผิดนะภาษาธรรมะหรือภาษาธรรพระเนี่เราเรียกว่าเป็นอาปัดเพราะว่ามีวินัยบัญญัติเอาไว้เลยถ้าญาติโยมไม่ได้ปวารณาพระภิกษุไปขอเมื่อไหร่นะต้องอาบัตินิสกิยาภาจิตติถือว่ามีความผิด นะถือว่ามีความผิดเพราะเรื่องนีนะ้ถ้าเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจอย่างนี้แนละ้วโยมก็ต้องช่วยพระสงฆ์ด้วยนะพระสงฆ์บางรูปก็อาจจะเข้ามาบวชแล้วก็อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาแล้วไม่ทําก็มนะีหรือว่าเข้ามาแล้วเพราะหวังผลประโยชน์อย่างอื่นก็เลยไปทําอย่างนั้นก็อาจจะมีนะที่คํ้ามาบวชจริงๆศึกษาจริงๆก็มีเช่นเดียวกันเพราะนั่นก็เป็นหน้าที่ของเครือขันะว่าอย่าเปิดโอกาสให้ท่านทําสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็พึงช่วยกันให้เยอะนอกจากนั้นเปิดโอกาสให้ท่านได้ทําหน้าที่ะจะเปิดโอกาสให้ท่านทําหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อโยมไปพบพระภิกษุนะดังนั้นไปพบพระภิกษุในสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยพระภิกษุได้ก็คือสอบถามซักถามข้อถามสอบถามสักถามข้อถามนั่นแหละช่วยแหละนะเอายมมีในเรื่องของปัจเจศีอ้าวนอกจากถวายถวายเสร็จแล้วต้องให้ท่านทําหน้าที่ถ้าท่านยังไม่ทําหน้าที่โยมให้ท่านทําหน้าที่ นะถามเลยเออข้อนี้ดิฉันอ่านมาว่าเป็นอย่างนี้การฝึกอย่างนี้เป็นอย่างไรนะถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วเฮ้ท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วเจ้าคะนะได้ศึกษาได้ศึกษาตรงนี้ไหมเอ่ยนะพอดิยมไม่ได้ศึกษาเพราะว่ายมเป็นคารื้นหะนะท่านน่าจะศึกษาได้มากกว่านี้นะนี่นะเดี๋ยวพระจะต้องไปนั่งหาอ่านละใช่ไหมหรือถ้าท่านไม่มีนะ ถ้าท่านมีมิยมก็สามารถช่วยได้สื่ออุปกรณ์ต่างๆมีเยอะเลยใช่ไหมอย่างโยมไปวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะเอาซีดีไปถวายทั้งสินะซีดีที่พระเดชพุนยานสอนหรือหนังสือเนี่ยนะถวายเสร็จปุ๊บอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราไปถามอ่านแล้วยังนะอ่านเสร็จแล้วเนี่ยโยมสงสัยข้อ น, นี้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเนี่ยท่านจะได้ทําหน้าที่ถ้าช่วยกันอย่างนี้นะจะเป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นทําให้พระทายัางไงเอ่ย ต้องศึกษาต้องศึกษาต้องปฏิบัติใช่ไหมจะไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ละอันนี้ญาติโยมสามารถช่วยพระพิสุทสงฆ์ได้อย่างนี้เหมือนการในเวลายโยมมาวัดนะหน้าที่ของพระพิสุทสงฆ์คือสอนโยมเวันโยมมาวัดถ้าอย่างมาวัดนี้เนี่ยบางทีมาถวายสังฆทานทีเป็นครึ่งชั่วโมงหรือบางทีก็เกือบชั่วโมงวัดถวายสังฆทานไม่นานเท่าไหร่หรอกนะแต่ถัดจากนั้นพระจะต้องสอนนี่เป็นหลักที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพงษ์คณาพรเนี่ยท่านให้เอาไว้เลย แม้แต่กระทั่งตอนฉันก็เป็นหน้าที่ของพระพิสุดธสงฆ์อย่างน้อยต้องให้ธรรมะกับญาติโยมนะแล้วก็พระเองก็ต้องศึกษาจึงจะเอามาบอกเอามาสอนแลวเอามาฝึกให้กับญาติโยมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกือกูลกันในสังคมนะตามหน้าที่แล้วก็ตามความถนัดของแต่ละ บ, บุคคลเนะพราะฉะนั้นมองอย่างนี้เนี่ยบางทีถ้าฝรั่งไม่เข้าใจฝรั่งจะมองว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ทาอะไร นั่นคือเพราะเขาไม่เข้าใจไม่ทํามาหากินอันนี้อาตมาอ่านเจอเลยนะอ่านเจอในหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะี่แหละนเขามองว่าในแง่ของเมืองไทยเนี่ยพระพิสุสง์นั้นก็ไม่ทํามาหากินนะแล้วก็พยายามทําข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดเพื่อให้คนเอาปัจจัยศีมาถวาย <c oughs> นะพระรามบางทีมันไม่เข้าใจอย่างนั้นนะไม่เข้าใจในแง่ของการแบ่งงานนะการแบ่งตามความถนัด มันก็เหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลหรือโรงเรียนนะมองในแง่นึ่นก็บอกว่าครูไม่ทําหน้าที่เพราะครูเอาแต่สอนไม่เห็นไม่เห็นกวาดบ้านไม่เห็นถูบ้านเลยไม่เห็นกวาดโรงเรียนถูโรงเรียนเหมือนกับพานโรงเลยพันโรงกลับทําหน้าที่นะจริงๆแล้วครูทําหน้าที่ไหมทํพาพันโรงทาหน้าที่ไหมเพียงแต่เป็นคนละหน้าที่เท่านั้นเองะฉันใดก็ฉันนั้นนะ ในหลักทางพระพุทธศาสนานะเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกันเพราะหน้าที่ของพระพิสุทธสงฆ์ไม่ใช่แค่รักษาศีลนะไม่ใช่นะหน้าที่สําคัญมากกว่านั้นคือการศึกษาการปฏิบัติรวมไปถึงการสั่งสอนให้กับญาติโยมในฐานะที่เขาสนับสนุนในด้านของปัจจัยศีให้กับพระพิสุทสงฆนะ์เอางั้นนี้คือหลักในด้านของทิฏฐกนะ์หลักในด้านของทิฏฐกเป็นเรื่องของการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของการ เป็นกรารอนามิตซึ่งกันแลกันกับบุคคลต่างๆในสังคมคือ น, นอกจากหน้าที่ต่อสังคมแล้วนะเราก็มีหน้าหน้าที่ต่อบุคคลต่างๆในสังคมมองในแง่ของตัวเราแล้วเราเองก็มีหน้าที่ต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยนะอันนี้จะอยู่ในข้อขอไข่เกื่อกูลกันประสานสังคมแต่วันนี้ดูเวลาแล้วเกินเวลาไปเยอะแล้วจะขอยกยออไปอาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะจะขอยกยอดไปอาทิตย์หน้ากันแล้วกัน วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาคราวหน้านั้น อ, อยากให้โยมมาเช้าสักนิดหนึ่งประมาณ10บโมงเนี่ยอาตมาจะสอนขึ้นกรรมาฐานใหม่คือมรณะสติละเมตตากรรมาฐานที่สอนมาหลายครั้งแล้วขอให้โยมไปปฏิบัติเป็นประจำแล้วก็ให้อยู่ในชีวิตประจําวันของโยมไปที่ไหนตั้งใจแผ่เมตตาเอาไว้ให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วยมจะมีจิตใจที่ผ่องใสดีงามแล้วก็มีความสุขแตคราวหน้าจะสอนกรรมฐานอีกกรรมาฐานหนึ่งก็คือมรณะสติ ของเราได้สติวันอาทิตย์คราวหน้าคงจะต้องขึ้นไปที่ข้างบนโบสถ์เนื่องจากว่าข้างล่างนี้จะมีหน่วยแพทย์มาทําการรักษาพยาบาลให้นะก็คงจะเริ่มสอนแต่ตอนประมาณสักสิบโมงนะถ้าโยมมาช่วงท้า ย, าย อ, าอาจจะไม่ทันนะอาจนะจะไม่ทันอน้าวนะเจริญพรคราวนี้ก่อนจบนะพอดีเมื่อวันเสาร์นั้นลืมให้การบ้านนะคราวหน้าอยากจะให้โยมทําการบ้านมาให้อัตมานิดนึง ทำการบ้านไม่ให้อัตามา น, นิดหนึ่งเดี๋ยวต้องช่วยจดนิดหนึ่งนะช่วยจดการบ้านนิดหนึ่งนะคราวหน้าเอามาส่งเอามาเอามาแสดงให้ดูไม่ต้องส่งนะโยมเก็บเอาไว้นะการบ้านนะมีอยู่ว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้โยมเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆ โยมอายุ22เล่นจบปริญญาตรีใหม่ๆนะตอนนี้นะตอนนี้เลยนะแต่ความคิดความอ่านของโยมเนี่ยเป็นแบบตอนนี้นะเปรียบเหมือนเปลี่ยนร่างนะเปลี่ยนร่างนั้นไปอยู่ในร่างของคนอายุ22ปีนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่โยมก็แล้วกันนะแล้วก็สถานนะเพิ่งจบปริญญาตรีใหม่ๆโนะยมไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวเลยนะ ไม่มีทรัพสมบัติติดตัวเลยในวันนี้โยมได้พบกับเศรษฐีใจดีได้พบกับเศรษฐีใจดีคนหนึ่งเศรษฐีใจดีคนนี้อันนี้โจทย์นี้ไม่ต้องโจทย์ก็ได้นะฟังให้เข้าใจเศรษฐีใจดีคนนี้เขาเปิดโอกาสให้กับโยมว่าจะให้เงินโยมก้อนหนึ่งให้ครั้งเดียวเท่า น, านั้นคือวันนี้จะให้โยมโยม ให้เงินโยมหนึ่งก้อนโยมขอเงินจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเขามีใหนะ้อยากได้เท่าไหร่ขอได้เลยแต่เศรษฐีเ จ, จดีคนนี้มีเงื่อนขไขว่าอย่างนี้เมื่อได้เงินไปแล้วเขาให้เวลาสิบปีสิบปีนี้โยมจะใช้เงินอย่างไรแล้วแต่โยมแต่เมื่อครบสิบปีคือถึงปีที่สิบ โยมมีทรัพสมบัติติดตัวอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่ขอมาเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะปีที่ 10, สิบโยมมีทรัพสมบัติติดตัวอยู่เท่าไหร่ทรัพ ส, ส, สมบัติที่โยมมีทั้งหมดนั้นจะตกเป็นของสิทธิีใจดีทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นโยมขอเงินสิบล้านผ่านไปสิบปีทำกิจการงานหน้าที่จเจริญเติบโ ต, ตมีเงินอยู่ร้อยล้านมีบ้านมีรถปีที่สิบ วันที่เศรษฐีเ จ, จดีมาพบนั้นบ้านรถพร้อมเงินร้อยล้านตกเป็นของเศรษฐีเ จ, จดีทั้งหมดยอมกลับไปเหลือตัวเปล่าเหมือนเดิมเข้าใจนะเงื่อนไขคือต้องขอไม่ขอไม่ได้นะอย่าเขียนว่าไม่ขอนะห้ามเขียนว่าไม่ขอต้องขอไม่ขอไม่ได้จะขอเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีจำกัด เข้าใจเงื่อนไขนะใช้ยังไงเรื่องของโยมโยมมันท่านอาจจะสงสัยแล้วถ้าปีที่สิบไม่มีเงินเหลือล่ะไม่มีเงินเหลือก็ไม่ต้องคืนแต่ถ้าโยมเอาเงินไปฝากไว้กับคนอื่นบอกว่าปีที่สิบเอ็ดเอามาคืนฉันถือว่าโยมยังมีกรรมสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นใช่ไหมเงินก้อนนั้นตกเป็นของเศรษฐีใจดีเข้าใจนะแต่โยมให้คนอื่นไปแล้วโยมไม่มีกรรมสิทธิ์ในเงินก้อนนั้นแล้ว เศรษฐีเ จ, จดีก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นได้เข้าใจนะมองหน้าอย่างนี้นี่รู้สึกว่าคงจะปีที่สิบนี้คงจะไม่ให้เหลือสักบาทเลยใช่ไหมเอาวางแผนกันให้ดีกันแล้วกันนะเข้าใจนะเข้าใจเงื่อนไขนะที่บอกมาทั้งหมดนี่คือเงื่อนไขอาต่อมาคำถามที่จะให้โยมทำข้อที่หนึ่ง โยมจะขอเงินจากเศรษฐีใจดีจํานวนเท่าไหร่จะขอเงินจํานวนเท่าไหร่ช่วยระบุเป็นตัวเลขด้วยช่วยระบุเป็นตัวเลขด้วยจะขอเง mm ินจากเศรษฐีใจดีจํานวนเท่าไหร่ระบุเป็นตัวเลขนะถ้าไม่ระบุเป็นตัวเลขออกเช็คให้ไม่ได้นะจะแสนล้านบาทก็ได้แสนล้านยูโรก็ได้แล้วแต่โยมนะ มีจ่ายให้มีจ่ายให้ข้อที่สองโยมจะใช้เงินนั้นไปทําอะไรบ้างหมายถึงโครงการที่โยมอยากจะทําในระยะเวลาสิบปีนั้นโครงการหรือกิจการหรืองานที่โยมอยากจะทําที่จะเอาเงินที่โยมขอเนียไปทําช่วยเขียนให้ละเอียดด้วยนะจะแบ่งเป็นสิบปีก็ได้ว่าเราจะทําอะไรบ้างในสิบปีนั้น แต่อย่าลืมนะโครงการใหญ่แค่ไหนปีที่สิบ ต, ตกเป็นของเศรษฐีใจดีทั้งหมดนะข้อที่สามโยมจะใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาสิบปีนั้นอย่างไรอันนี้จะหมายถึงชีวิตประจำวันของโยมนะช่วยเขียนให้ละเอียดด้วยเขียนเหมือนกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆ ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เขียนอย่างละเอียดแล้วยมจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นก็เพราะจากสิ่งที่ยมเขียนเท่านั้นแหละนะเพราะเวลาเฉลยนี่จะเฉลย อ, อย่างสั้นๆนะเฉลยไม่ยาวหรอกนะแต่อย่างที่บอกว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นก็เมื่อยมกลับมาอ่านสิ่งที่ยมเขียนนะอาสงสัยตรงไหนไหมให้การบ้านสักนิดหนึ่งจเจริญพร ใช่ใช่โยมบางท่านที่เคยมาฟังที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วอาจจะได้เคยทําไปแล้วนะนะ <Okay. S 1> อาจจะได้เคยทําไปแล้วนะแต่ว่าทําใหม่ก็ได้นะทำใหม่ก็ได้นะส่วนโยมที่ยังไม่ได้ทําก็ไม่ต้องไปถามแล้วว่าเฉลยเฉยว่าอะไรนะ <Okay. S 1> ไม่ต้องไปถามคือปกติแล้วเวลาอาตมาถามคําถามแล้วให้โยมแสดงความเห็นเนี่ยไม่ชอบถามคําถามประเภทถูกผิด โยมมีความคิดเห็นอย่างไรความคิดเห็นของโยมนหนคือสิ่งที่ถูกให้เป็นตัวของโยมเองมากที่สุดว่าโยมต้องการทำอะไรถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับโยมจริงๆนะเขียนให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าไม่ต้องส่งให้อัตมานะไม่ต้องใช้หลักการอะไรทั้งๆใดๆทั้งสิ้นนะขออภัยนะถ้าจะพูดอย่างติดตลกนิดนึงก็คือไม่ต้องใช้หลักการเอาหลักกูนะต้องการยังไงจะทาอะไรเขียนอย่างนั้นแหละนะ ต้องการยังไงจะทําทอะไรนะเหตุการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเขียนออกมาอย่างนั้นเลยเข้าใจนะอ้าวมีคําถามไหมมีข้อสงสัยตรงไหนอีกไหมเอ่ยไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์อาตมาก็จะให้เวลาจะให้แต่จะให้เวลาแค่สิบนาทีในการเขียนเท่านั้นถ้าใครลืมเขียนมาหรือคนมาใหม่นะแต่ถ้ายอมเขียนมาก่อนได้จะเป็นสิ่งที่ดีนะอ้าวถ้าไม่มีคําถามอะไรวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนา